Er ima, ใช่มสามสิบหกมาร์จ <t ests> right. ิตมารกเจตสิกเอเจตสิกที่เกิดร่วมกับมาร์กด้วยทีนี้ในบรรดาเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับมัรกนั้นเอามารกแปดออกเหลือเท่าไหร่สามสิบหกเหลือเท่าไหร่สามสิบหกออกแปดเหลือยี่สิบเท่าไหร่ยดใช่ไหมเมคานิ้นับอย่างไี้เขาเรียกว่ายี่สิบแปดบวกจิตอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเก้า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 แต่การที่ไปทํากิจแห่งการไข้ครวนพิจารณาจริงๆนั้นเป็นกิจของมหากุศลญาณสัมและมหากุศลญาณวิบโดยมากเป็นไปกับมหากุศลญาณสัมประโยชน์ที่สีมีเจตสิกประกอบเบ็ดเสร็จถ้าครบจํานวนก็38แต่ไม่ถึงเนี่ยนะเพราะในขณะนั้นท่านทํากิจในการไข้ครวนอะไรท่านไข่ครวนในเรื่องของความเป็นไปของขันทัดยตนะไม่ขาดสาย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 ต่อปัญญานั้นเข้าไปวิจัยรอบรู้เขาเรียกว่านามบรูปปริเฉทญาณพระองค์ธ ร, รมยาตปรินยาเกลี้ยงเลยใช่ไหม ร, รมยาตปรินยาเกลี้ยงเลยตรงนี้ก็คือให้ชัดเจนตรงนี้ว่านั้นน่ะคือพระหมหาบรุษนั้นได้ทำกิจในการที่ทาปุเพนิวาส า, านุสติญาณวิชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดบอดคือเอาวิชาถูกทาลายลงด้วย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 แล้วในส่วนของยามที่สองเนี่ยกรรมสิบสองกรรม16บนี่ชัดหมดเลยเนี่ยกรรม1 2กรรม16ก็แปลว่าท่านชัดเจนในเรื่องของกรรมแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายจุดติปฏิสุนีิเป็นไปตามกรรมอย่างไรก็วิชาที่สองก็เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นไปตามลนดับพอในยามที่สามที่เรียกว่าปัดชิมมยามยามสุดท้ายนี่แหละท่านก็ทำลายเอาวิชา ประการที่สี่ตรงนี้ในชั้นของผ้าตรกะานอาจารย์ท่านให้วิปัตนายานแปดเลย อ, อุทยพยาญานเป็นต้นลเลยนี่นสรุปแล้วก็สัมมสนญญาณไม่ต้องกล่าวถือว่ากล่าวเรียบร้อยเบียดเสร็จอดีตอนาคตเนี่เป็นไปในสัมมสนญาาเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือว่า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 ถ้าไล่ไปตามลำดับก็คือต้องไล่ตั้งแต่ปฏิโมค์สังวศีลเลยตัวนี้นะดูพธาฐานหาทัาฐานนาหาระต้องไปเชื่อมโยงในเนตติบกรคลนะถึงจะชัดว่าเราจะเห็นว่าการสั่งสมบารมีทั้งหมดของพระบรมศาสดาเอามาเอามาเกื้อนหนุนหมดเลยทั้งฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิรยาาาิยะสัจจะ